ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องเงาหญิงเงากรรมพระกุณฑสถานะเทระโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่สิบมีนาคม2546นาณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ เดี๋ยววันนี้มาลองฟังประวัติพระอรหันต์รูปหนึ่งนะชื่อพระกุณฑธาณะเถระก็เป็นประวัติพระอรหันต์ที่น่าสนใจนะมีแง่คิดที่เตือนสติเราได้ดีทีเดียวลองฟังประวัติดูก็แล้วกันนในอดีตชาติ ของภากุญทะฐานเถระเคยได้บำเพ็ญบุญสะสมไว้แล้วในสมัยของพระพุทธเจ้าพนาว่าปัทถุมุตระคราวนั้นเกิดอยู่ในตระกูลผู้ดีมีสกุลของนครหังสวดีเขามักเป็นเขามักไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมเสมอเสมอวันหนึ่งได้เห็นพระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่ง ให้เป็นภิกษุผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านการเป็นผู้ได้รับสลากก่อนเขาปรารถนาตำแหน่งนั้นบ้าง เ, เป็นแง่คิดเป็นแง่ให้สังเกตอยู่มีพระอาหารหันต์หลายรูปเลยที่เป็นประเภทเอตทัทคะหมายถึงเป็นผู้ชํานาญพิเศษเนี่ยด้านใดด้านหนึ่งนะเราเรียกเอตทัทคะ มักจะได้ไปเห็นพระพุทธเจ้าองค์ก่อนโนโนนเนี่ยนะแต่งตั้งคนนั้นคนนี้ให้ว่ายอดเยี่ยมในด้านนั้นด้านนี้คือไปเห็นแล้วเนี่ยแล้วเกิดจิตที่เราเรียกว่าปรารถนานะหรือว่าเกิดจิตที่เรียกว่าอยากจะได้ดีอย่างนั้นบ้างอันนี้ไม่ง่ายนะบางทีเราเห็นคนได้ดีก็จริงแต่เราไม่คิดว่าเราอยากจะดีอย่างนั้นบ้างอะ เ, เราก็อนุโมทนานะว่าเอ อ, เ อ, อยินดีด้วยที่เขาได้ดีแต่ไม่ได้คิดจะอยากไปเลยใช่ไหมแต่คนที่จะพูดที่จะเป็นเอตัทคะเนี่ยที่จะยอดเยี่ยมด้านใดด้านหนึ่งไปพบไปเห็นในสิ่งนั้นๆแล้วจะเกิดจิตที่ไม่ใช่แค่ยินดีธรรมดาจะต้องยินดีอย่างแรงกล้ายินดีอย่างชนิดที่เรียกว่าอะไรอะ่ะ สูงกว่าคนปกติยินดีจนกระทั่งอยากจริงๆอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างจนกระทั่งแรงพอที่จะเกิดเหมือนกับคำว่าอธิษฐานคือคือเกิดการตั้งจิตที่อยากจะมีอยากจะเป็นอย่างนั้นในสิ่งที่ดีนะอันนี้เราพูดในสิ่งที่ดีเพราะนั้นระดับที่จะเป็นพระเอตทักคในเรื่องต่างๆนี่จะต้องมีอุปนิสัยใจคอ ทำนองนี้คนที่จะเก่งอะไรยอดเยี่ยมไปสักด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยโอ้โหต้องทุ่มเทใช่ไหมต้องเป็นคนที่เอาจริงเอาจังในเรื่องนั้นบางทีนี่มีอุปสรรคมีปัญหาอะไรมาขวางกั้นมากมายนี่ไม่ทอ้อถอยเลยบุกสู้ซึ่งจะต้องมีขีดความสามารถหรือขีดของความอดทนอดกลั้นเนี่ยมากกว่าคนปกติธรรมดาเพราะันถ้าใครไม่มี อุปนิสัยอย่างนี้ไม่มีทางได้เอตัคคะนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันอันดีของภาคกุลทะธานะเทระนี่นะไปเห็นพระพุทธเจ้าที่ท่านนะชื่อว่าปทุมมุตระเนี่ยนะท่านแต่งตั้งผู้ที่มีความยอดเยี่ยมในการเป็นผู้ได้รับสลากก่อนออได้รับสลากก่อนนี้หมายถึงว่าสมัยก่อนเนี่ยบางทีเขาจะมีผู้นิมนต์มีอะไรต่างๆเนี่ย เขาอาจจะนิมนต์พระอาหารหันต์นะแต่เขานิมนต์เนี่ยมันจะมีจำนวนหนึ่งเท่านั้นเองใช่ไหตั้งเยอะตั้งแยะพระภิกษุทั้งหลายมีมากมายเพรา ะ, ะนั้นก็จะต้องมีการคัดเลือกว่าอาอาให้ผู้นั้นไปให้ผู้นี้ไปก็เลยเหมือนกับมีการแจกสลากให้ว่าอาอาใครได้สลากนี้ก็ได้ไปนะใครไม่ได้สลากก็ไม่ได้ไปอย่างนี้เพราะนั้นอันเนี้ยเป็นผู้ยอดเยี่ยมในการ ได้รับสลากก่อนก็หมายถึงว่าแม้เรียกว่าถ้าพอมีอินนิมนต์หรือว่ามีอะไรจะให้ไปไหนจะทําอะไรนี่เป็นผู้ที่นําก่อนใครเลยนั่นก็คือได้รับสลากก่อนแต่นี้พอท่านเห็นใช่ไหมท่านก็เลยก็เลยแบบโอ้โหอยากจะเป็นอะไรอะเอตตทะคัดในเรื่องของการได้รับสลากก่อนบ้างจึงภาคเพียนกระทําบุญอยู่เสมอ กระทั่งคราวหนึ่งได้โอกาสอันยิ่งใหญ่เมื่อพระพุทธเจ้าทรงประทับในที่อันสงบหลีกเล้นอยู่เจ็ดวันครั้นถึงเวลาเสด็จออกจากที่หลีกเล้นนั้นเขาได้รู้เวลานั้นจึงนําจึงนําผลกล้วยใบใหญ่เครืองามเข้าไปถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับไว้แล้วเสวยคือพูด ง, ไง่ายๆว่าหลีกเล้นนี่หมายถึงว่าไม่ให้มีใครติดตามแล้วก็ไม่ พยายามจะไม่ให้ใครรู้ว่าว่าไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ว่าอันนี้นี่อดีตของพระกุลท่าณา น, นี่ไม่รู้ไปรู้ได้ไงว่าผู้เจ้าท่านไปหลีดเล่นอยู่ที่นี่ น, นี่แล้วก็จะหลีดเล่นอยู่เจ็ดวันแล้วหลังจากเจ็ดวันแล้วก็จะออกมานะซึ่งซึ่งอันเนี้ยพอรู้แล้วก็ไปดักไปเลยแล้วก็มีอาหารก็เตรียมไว้เอาไปถวายนั้นะแต่ น, นี้เตรียมบอกว่าผลกล้วยใบใหญ่ นล้นก็ถวายพระพุทธเจ้าก็รับเอาไว้แล้วก็ทรงเสวยทาให้จิตของเขาเลื่อมสายยินดียิ่งนักพอเสร็จพัฒกิจแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ย อ, องค์ปทุมุตระได้ตรัสว่าจงฟังคำของเราผู้บำลุงพระพุทธเจ้าเธอจะได้เป็นใหญ่ในหมู่เทวดาส1บอครั้งนะอันนี้กำลังพยากรณ์ให้แล้วว่า ว่าเนี่ยผู้ที่มาถวายกล้วยให้พุทเจ้าฉันเนี่ยแหละจะได้เป็นใหญ่ในหมู่เทวดานะเทวดาเราคงเข้าใจแล้วหมายถึงว่าอะไรคําว่าเทวดาผู้มีจิตใจที่ดีจิตใจที่สูงนะเราก็หมายถึงเทวดาเนี่ยจะได้เป็นผู้ที่มีจิตใจดีจิตใจสูงเนี่ยนะสิบเอ็ดครั้งก็หมายถึงว่าเหมือนกับสิบเอ็ดชาตินั่นเองนะจะได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิยี่สิบสี่ครั้ง พระเจ้าจาั ก, กรพรรดินะไม่ใช่ได้เป็นแค่กษัตริย์อันนี้เป็นพระเจ้าจาั ก, กรพรรดิซึ่งยิ่งใหญ่กว่าณยี่สิบสี่ครั้งละอีกหนึ่งแสกลับจากนับจากนี้จะได้เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งมีพระโคดว่าโคดมก็หมายถึงพระพุทธเจ้าองค์กับปัจจุบันของเราเนี่ยนะโดยเธอจะมีชื่อ ตามผลแห่งกรรมว่ากุลท่าทานะนี้คือพยากรของเราพูดง่ายพยากรให้อดีตชาติของพระกุลททานนะเนี่ยตอนที่มาถวายกล้วยให้นี่บอกเลยว่าบอกได้ถึงชื่อเลยว่าในอนาคตจะชื่อนี้แต่ก็บอกอีกว่าชื่อเนี้จะได้มาจากบิบากกรรมพูดง่ายว่าเหมือนกับมีตาทิพย์เนี่ยมีอนาคตตังสยานที่สามารถที่จะบอกได้เลย แต่จะมาให้สังเกตุอยู่อย่างพุทธเจ้าพยากรณ์ใครเนี่ยนะที่จะได้อย่างแม่นยาแล้วก็ได้ชัดเจนได้อะไรเนี่ยส่วนใหญ่ท่านจะพยากรณ์โดยที่มีเรื่องของวิบากกรรมเนี่ยบอกเข้าไปด้วยเพราะว่าตัวเนี่ยมันเป็นตัวที่จะทำให้รู้ว่าอนาคตใครจะเป็นยังไงจากผลวิบากกรรมนะอันนี้บอกเลยว่าจะชื่อนี้เพราะมีผลวิบากกรรมอย่างนี้ถึงจะมีชื่อนี้ ด้วยผลบุญนี้ทำให้เขาได้เวียนตายเวียนเกิดในหมู่เทวดาและมนุษย์นานจนกระทั่งได้เกิดเป็นภุมมะเทวดาภุมมะเทวดานี่หมายถึงเทวดาเจ้าที่เนี่ยนะอย่างอย่างสมมติว่าใครอยู่ที่พุทธสารสันติยโศกพวกนี้ก็เป็นภุมมะเทวดาอยู่ที่สันติยโศกก็เป็นเจ้าที่อยู่ที่สันติโศก ใครอยู่วัตถฐานเอาปูผาฟ้าน้ําคนนั้นก็เป็นภูมิมเทวดาอยู่ที่ ภ, า ภ, าภาูผาฟ้าน้ํำเป็นเทวดาเจ้าที่ก็หมายถึงว่าอะไรอ่ะก็มีคุณธรรมขนาดหนึ่งแหละเพียงแต่ว่าจะเป็นเทวดาชั้นไหนเทวดานี่ยังมีแบ่งไปอีกนะอีกหลายชั้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องรู้ว่าแต่อย่างน้อยเนี่ยคนจะได้เป็นเทวดาก็ต้องสั่งสมบุญกุศลขนาดหนึง่งถึงจะได้เป็นเทวดา เทวดามีหลายอย่างนะเทวดาเป็นพวกคนทันเทวดาเป็นพวกอะไรอะ่ะชั้นดุสิตชั้นนิมานชั้นอะไรออ้ยมีอีกเยอะอีกหกชั้นอความหมายก็ยังมีความแตกต่างกันไปเรื่อยๆอันนั้นเป็นธรรมะของเทวดาที่จะคุ้มครองเทวดาก็คืออะไรฮีรีและโอตปะทั้งคนที่มีฮีรีและโอตปะนะ ปฏิบัติธรรมะนั้นน่ะแล้วถึงจะเป็นเทวดาหรือว่าจะคุ้มครองเทวดาได้พราะถ้าไม่ทําอย่างนี้นะเสื่อมได้นะถ้าไม่มีฮิริโอตป่านี่ก็จะไม่ได้เป็นเทวดาก็คือเสื่อมจากความเป็นผู้มีจิตใจสูงนั่นเองอะจะต้องมีความระอายมีความเกรงกลัวต่อ บ, บาปอ่ะตอนนี้มีอยู่ชาตินึงใช่ไหมของอดีตของท่านเนี่ยก็มาเป็นภูมิมะเทวดาแล้ว ในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัศปะนี่โหมาอีกไม่รู้กี่ร้อยชาติแล้วนะจากอดีตชาติในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ปทุมุตระตอนนี้มาถึงชาติของพระพุทธเจ้าองค์กัศปะแล้วมีอยู่วันหนึ่งภูมิเทวดากกำลังสุขสบายอยู่ในอนณาเขตของตนได้พบเห็นภิกษุสองรูปซึ่งเป็นสหายรักกัน เดินทางผ่านมาในเขตแดนที่ตนรักษาอยู่<ม>เพื่อไปทำอุโบสถฟังสวดปฏิมโมกในหมู่สงฆ์คือภิกษุสองรูปนี้กาลังจะไปโบสเพื่อง่ายเพื่อที่จะฟังโอวาทปฏิมโมกฟังภาพปฏิมโมกนะอย่างที่บอกว่ า, าสมัยนี้ยุคนี้เนี่ยก็ครึ่งเดือนหรือว่าสองปักนะไม่ใช่จี สิบห้าวันนะก็ต้องฟังสวดปฏิโมกขหนึ่งครั้งนะสำหรับภิกษุเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เดินทางมาแล้วเตรียมเพื่อที่จะมาฟังพระปฏิโมกข์เข้าใจแล้วใช่ไหมอาจามาเคยบอกให้ฟังแล้วว่าที่มาฟังสวดพระปฏิโมกเนี่ยหมายความว่าไงภิกษุมาฟังอะไระมาฟังวิในที่พระเจ้าบัญญัติไว้ว่า ห้ามทำผิดอย่างนี้ห้ามทำผิดอย่างนี้อย่างยงนี้อย่างา ง, า ง, างี้นะที่เขาบอกว่าเท่าไหร่สองยยีข้ออันนี้เนี่ยมีมาในโอวาปฏิโมกหรือมีมาในพระไตรปิฎกแต่จริ ง, รงๆมีเยอะกว่า น, นี้อีกนะแต่อันนี้เนี่ยพูดง่ายๆว่าเอามาแค่2องยยีข้อที่มาให้มาสวดให้ภิกษุฟังว่าใน2องยยีข้อเนี่ยทำผิดข้อไหนบ้างไหมถ้าผิด ผิดขนาดไหนผิดขนาดหนกักผิดขนาดกลางผิดขนาดเบาก็จะต้องแก้ไขซะตามที่ผิดเพราะไปทาผิดวินัยข้อไหนเนี่ยจะมีบทลงโทษอยู่แล้วตามข้อนั้นๆั้นวนการมาฟังสวดพระปฏิโมกก็คือมาฟังว่าไปทาผิดอะไรมาบ้างหรือเปล่าภายในครึ่งเดือนเนี้ยถ้าผิดอันไหนก็แก้ไขซะเพราะฉะนั้นพูด ง, ง่ายว่า ถ้าบวชเป็นพระมาทุกทุกปากาทุกทุกครึ่งเดือนนี่จะต้องบริสุทธิ์ให้ได้ทุกครึ่งเดือนถ้าเกิดไม่บริสุทธิ์มาคุณก็ต้องมาปรงอาบาดใช่ไหมต้องมาหาทำหาทางทําหาทางแก้ที่จะให้บริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเป็นพระนี่นะจะต้องทาตัวให้บริสุทธิ์อยู่เสมอนะคุณไปผิดพลาดอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวภายในครึ่งเดือนต้องตรวจเช็คละบริยั เพราะนั้นยังไงคุณต้องบริสุทธิ์จีคุณไม่บริสุทธิ์ได้ยังไงอ่ะเพระทุกครึ่งเดือนเนี่ยพูดง่ายทําความสะอาดทุกๆุกครึ่งเดือนเนี่ยนะพระจะต้องโดนทําความสะอาดกายวาจาใจต้องโดนทําความสะอาดทุกครึ่งเดือนถ้าคุณเป็นพระนอกจากไม่รู้แล้วคุณไปอยู่ป่าเขาถ้าไหนอไม่มีปู่สง์ไม่มีอะไรที่จะมาฟังสวดปฏิโมกต์เลยอันนั้นก็ต้องดูเองนะต้องมาตรวจตัวเองแหละ แต่อันนี้จะมีผู้อ่านให้ฟังเนี่ยแล้วก็ตรวจดูว่าผิดข้อไหนนั้นก็ปรากฏว่าภิกษุสองรูปนี้ก็เนี่ยเดินทางมาเพื่อที่จะมาเข้าหมู่เพื่อที่จะฟังสวดปฏิโมกภุมมัเทวด า, าเห็นภิกษุสองรูปนี้ละคิดสนุกอย่างมิชฉาทิฐิขึ้นว่าภิกษุสองรูปนี้ช่างสนิทรักกันดีเหลือเกินหากเราลองแกล้งสร้างเรื่องให้เข้าใจผิด จะแตกคอกันหรือไม่หนอนี่เป็นเป็นความพิเรนของภูมิมเทวดานะต้องเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเพราะว่าลักสนุกกันนะลักสนุกกัเห็นเขาแม่ลักไข่ปองดองกันดีเลือกเกินนะก็เลยคิดว่าจะลักกันจริงหรือเปล่าเนี่ยจะลองของดูหน่อยที่ว่าว่าจะลักกันขนาดไหนนะก็เลยเกิดความคิดวิจารณ พี่เลนพี่เลนอย่างงี้ขึ้นมานี่นี่นี่นี่เผลอแล้วนะนี่ไม่รู้ตัวแล้วนะว่าคิดอย่างงี้จริงๆแล้วเป็นบาปแล้วนะคิดอย่างนี้เริ่มเป็นบาปแล้วนะถ้าเนี่ยถ้าถ้าจับจิตจับสติทันก็จะรู้ว่าตายมโนกรรมมันนี้เป็นบาปแล้วถ้าไวเนี่ยมจะเกิดความละอายขึ้นมาทันทีจะเกิดทีริขึ้นมาทันทีเลยโอ้โหบอกโอ้โหคิดอย่างงี้ไม่ดีก็จะรีบปรับแก้จิตแต่ใครเนี่ย เนี่ยไม่มันตรวจจิตตัวเองแล้วก็ไม่แหววัยในการรู้จิตตัวเองบางทีเนี่ยมนปูมันคิดไปมันก็นึกสนุกนึกก็นองใช่มมันก็ไม่ทันคิดแล้วว่าอ่านี่จะผิดศีลแล้วนะนี่จะบาปกรรมแล้วนะมันก็เผลอมันก็จิตมันก็โลดแล่นไปเรื่อยอ่าตอนนี้พอคิดอย่างนี้แล้วขนาคิดเช่นนั้นพอดีภิกษุรูปหนึ่งปวดท้องปรารถนาจะขับถ่ายหนัก จึงเข้าไปยังพุ่มไม้ส่วนอีกรูปหนึ่งช่วยช่วยถือบาทไว้ให้อ๋อเพราะว่ามีบาทมาด้วยนะก็อีกรูปหนึ่งจะเข้าไปถ่ายหนักเนี่ยอีกรูปหนึ่งก็เลยอาช่วยถือของให้นะอีกรูปหนึ่งช่วยถือบาทให้ยืนรออยู่ภายนอกสักครู่ใหญ่ภิกษุนั้นเสร็จกิจส่วนตัวแล้วแล้วก็จะออกมา เพื่อที่จะมาดุ้งคองกีวอนอะไรให้เรียบร้อยเพื่อที่จะเดินทางต่อขณะนั้นเองภ่มิมะเทวดาก็ปลอมแปลงร่างเป็นหญิงสาวรูปงามก้าวตามด้านหลังของภิกษุนั้นออกมาแล้วก็ทาทีเกล้าผมใหม่ให้เรียบร้อยปัดฝุ่นตามผ้าจัดผ้านุ่งผ้าหม่มปกปิดกายให้ไม่ชิดทำราวกับได้มีสัมพันธ์แล้วกับภิกษุในพุ่มไม้นั้น เป็นไงแล้วตอนนี้กำลังสร้างฉากแล้วพูดย่าไงสมัยนี้เขาเรียกว่ากำลังสร้างฉากให้เหมือนอย่างกับว่าแม้พิกษุนที่เข้าไปถ่ายหนักนี่เป็นไงที่จริงแล้วไงไม่ได้ถ่ายหนักนี่อ้นี่เข้าไปยุ่งอะไรกับผู้หญิงเขาแล้วนี่ผู้หญิงเดินตามออกมาทำเป็นแมมผมเผาไม่เรียบร้อยใช่ไหมทำเป็นจัดผมเผาเสื้อผ้าไม่เรียบร้อยทาเป็นจัดเสื้อผ้าใครเห็นก็ น, นึกยังไงอะ เออเดินตามหลังออกมาเงี้ยใครก็โอ้โหเอาละสี่ข่านี้แล้วก็ภิกษุที่ยืนคอยอยู่ใช่ไหมภิกษุที่ยืนคอยอยู่พอเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นเข้าถึงกับตะลึงพร้อมกับเสียใจยิ่งนักด้วยคิดว่าเสียแรงที่เป็นสหายรักกันมานานปีภิกษุนี้มาทำฉิบหายเสียแล้วหากเรารู้มาก่อนว่าเพื่อนภิกษุนี้มีกิเลสหน า, นานัก เราจะไม่คบคุ้นด้วยเลยแสดงว่าโอ้โ oh, ห oh, ปิกิุรูปนี้ก็แหมลักศีิลักวินยัยลักอะไรนี่เหลือเกินนะเห็นเพื่อนอย่างนี้นี่พูดง่ายๆว่าเห็นกับตาเนี่ย <laughs> เห็นกับตาตัวเองเลยอะ่ะ <laughs> เพราะฉนั้นเข้าใจผิดเลยอะ่ะเพราโดนหลอกอันนี้งานนี้โดนหลอกแล้วงานนี้ก็สอนให้รู้ว่านสําสหรับประเด็นตรงนี้นะสอนให้รู้ว่าอะไรที่เห็นกับตา ไม่ได้หมายความว่าจริงเสมอไป อ, อาจจะไม่จริงก็ได้เพราะนอย่าสรุปอะไรง่ายๆเกินไปเหมือนเมื่อเมื่อวานเนี่ยที่พยายามพูดพยายามคิดอะไรให้ให้ได้ทั้งสองมุมให้ได้น ะ, อ, ะอยากก่าคิดมุมเดียวนะบางทีเนี่ยคนใจร้อนเนี่ยรีบสรุปอะไรมุมเดียวโอกาสผิดพลาดมีได้มากนี่ขนาดเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งหลายปี แต่เห็นเพื่อนอย่างเงี้ยเห็นเห็นตําตาอย่างเงี้ยโอ้โหผู้หญิงเดินตามออกมานี่ทันทีเลยรู้สึกเสียใจเลยนะผิดหวังอย่างมากคิดแล้วก็กล่าวกับเพื่อนภิกษุด้วยความรังเกียจการทุศีลว่าว่าอันนี้นี่รักศีนนะเห็นเพื่อนทําอย่างนี้นี่มันผิดศีนนี่เพราะฉนั้นโอ้โหลังเกียจเลยนะอันนี้ก็มีความละอายเหมือนกันนะมีความละอายมีความกลัวแต่ว่าไม่ใช่เราทําผิดเองไนงะ เป็นความละอายที่เพื่อนทาไมเลวอย่างนี้นะมาทำผิดศีลอย่างนี้ได้ยังไงนะก็เลยพูดกับเพื่อนว่าท่านจงรับบาปของท่านไปเถิดผมไม่ต้องการจะร่วมเดินทางไปกับผู้ลามกเช่นท่านอีกต่อไปเลิกเลยไม่ไปด้วยกันเลยภิกษุผู้ถูกกล่าวหาถึงกับยืนงุนงงฟังถ้อยคำแล้วประหนึ่งโดนหอกคมกริบพุ่งเข้าใส่รีบกล่าวว่า ท่านพูดอะไรอย่างนั้นผมกระทำกรรมลามกอันใดหรือเพราะว่าเขาภิกษุรูปที่เข้าไปในพุ่มไม้นี้เดินออกมายังไม่รู้เลยนะว่ามีผู้หญิงเดินมาข้างหลังอยู่นะก็เลยพูดถามกลับไปว่าทำอะไรยักษ์ทผิดอะไรท่านกระทำกรรมอลามกกับมาตุคามในพุ่มไม้แล้วจึงออกมาด้วยกันนะนี่ก็บอกเลยไม่มีเรื่องเช่นั้นเลย ผมไม่เห็นมีมาตุคามแม้แต่สักคนเดียว เ, เพื่อนคนที่บอกอ้อก็เขาเข้าไปถนะ่ายหนักเขาออกมาก็ไม่เห็นมีผู้หญิงเลยแม้ภิกษุผู้ตกเป็นจำเลยจะกล่าวความจริงสักกี่ครั้งก็ตามเพื่อนภิกษุก็ไม่เชื่อถือถ้อยคำทั้งสิ้นยึดเอาสองตาที่ตนเห็นนั่นแหละเป็นเรื่องจริงแล้วแยกทางไปโดยลำพังผู้เดียวคือยังไงไม่เอาด้วยแม้ภิกษุรูปนี้ก็โอ้โหสินินเคร่งเหลือเกินนะ เห็นเพื่อนศีลขาดอย่างนี้แล้วก็ไม่ไปด้วยกันเลยเลิกเลยนี่ทุศีนแล้วนี่ไม่มีศีลแล้วเลิกคบไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันเลยอันนี้นี่พูดง่ายว่าประเภทสายอะไรอ่ะศีลเคร่งนะนะชนิดที่เรียกว่าถ้าใครผิดศีลมาก็ไม่ต้องคบกันเมื่อถึงเวลาเช้าเมื่อเมื่อถึงคือก็เดินทางต่างคนต่างเดินทางแล้ว เมื่อถึงเวลาเข้าสู่โรงอุโบสถภิกษุที่ถูกภูมิเทวดาหยอกล้อ ก, กันแกล้งก็เข้าสู่โรงอุโบสถส่วนภิกษุผู้เป็นสหายพอเห็นเช่นนั้นก็ไม่ชอบใจด้วยความรู้สึกว่าภิกษุลามกผู้นี้ไม่บริสุทธิ์เราไม่ควรฟังสวดปฏิโมกร่วมด้วยคือการฟังสวดปฏิโมกเนี่ยก่อนจะฟังสวดเนี่ยภิกษุแต่ละรูปต้องระลึกก่อน ว่าตัวเองเนี่ทำผิดอะไรมาบ้างแล้วก็ถ้ารู้ว่าตัวเองทำผิดอะไรมาเนี่ยถ้าเป็นอาหนักอาอาบัตเบาก็ปรงอาบัตซะแต่ถ้าเป็นอาบัตหนักก็ต้องบอกเพื่อนพิสูจน์เลยว่านี่ไปต้องอาบัตหนักมาแล้วก็ต้องโดนลงโทษตามที่ทำผิดอาบัตหนักนั้นมาคือพูดง่ายว่าตอนไปฟังสวดปฏิโมกเนี่ยเข้าไปอยู่ร่วมกันในหมู่สงฆ์แล้วต้องบริสุทธิ์และ เพรนต้องให้ปรงอาบัตก่อนก่อนที่จะฟังสวดปริโมกยกเว้นว่าลืมจําไม่ได้แล้วพอฟังสวดไปฟังสวดไปอ้าวเพิ่งนึกได้ถ้านึกได้ก็ทําสัญญาไว้ให้รู้ว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวฟังสวดจบแล้วก็จะก็จะปรงอาบัติแต่ถ้ารู้ว่ามีความผิดอยู่แล้วแล้วไม่ปรงอาบัตก่อนนี่ใช้ไม่ได้เพราะจะต้องทําให้สะอาดก่อน ทำให้บริสุทธิ์ก่อนก่อนที่จะฟังสวดปฏิโมกนะอันนี้เป็นเป็นลักษณะของภิกษุที่จะต้องประพฤติแล้วก็จะต้องกระทำนะยกเว้นวาบางทีฟังจนสวดจบแล้วอ่ะถึงมานึกได้ก็เอา้านึกได้เมื่อไหร่ก็ต้องปรงเมื่อ น, นั้นเลยอ่ะตอนนี้ภิกษุรูปนี้ก็ไม่ชอบสิบอกเอารูปนั้นเพราะว่าถ้าไปยุ่งกับผู้หญิงนี่ความผิดระดับไหน อ้าวโห อ, อย่งี้ไปยุ่งกับผู้หญิงนี่ยังขี้หมูขี้หมาที่สุดก็ยังไงตามสุดสังคาทิเศษซึ่งก็ถือว่าเป็นอาบัติหนักอไปแตะเนื้อตัวผู้หญิงนะด้วยจิตมีความยินดีพอใจนี่อาบัติหนักแล้วอย่างเงี้ยก็จะต้องโดนละโดนอยู่กรรมโดนอะไรไปแล้วลงโทษเพราะจะมาอยู่ฟังสวดปฏิโมกด้วยก็ไม่ได้แค่แค่ว่าไปแตะเนื้อต้องตัวผู้หญิง ไม่ต้องแตะเนื้อต้องตัวแค่ไปแตะเส้นผมด้วยจิตยินดีพอใจเนี่ยยังอาบัตหนักเลยสังฆาชิเศสเลยนะหรือไปพูดเกี่ยวพาลาศีผู้หญิงนะแบบแบบแบบเมทุนแบบอะไรพวกนี้ก็ยังอาบัตหนักตัวนี้เลยแล้วนี่ยิ่งภี่สูรุปนี้คิดว่านี่ไม่ไม่ไม่ใช่แค่ข้อพวกนี้นะนี่โอ้โหต้องไปเสพเมทุนเลยนี่ปาราชิกเลยนะ นะคงจะคิดแบบประชิกแล้วเพราะนั้นถ้าประชิกนี่คือหมดความเป็นพระทันทีเลยขาดจากความเป็นพระเลยไม่ใช่ไม่ใช่แค่ศีลขาดนะขาดจากความเป็นพระทันทีเลยนะต่อไม่ได้เลยเพราะประชิกนี่พุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับคนที่โดนมีชีวิตอยู่เนี่ยเสร็จแล้วมาโดนคนตัดคอขาดไปแล้วไม่สามารถจะมีชีวิตต่อได้พุทธเจ้าท่านเปรียบไว้อย่างนี้เลยคนที่ประชิก วันเพื่อนภิกษุคนนี้เนี่ยรูปนี้เนี่ยพอเห็นอย่างนี้ก็ไม่อยากเข้าเลยสิเพราะว่าเอา้านี่ประชิกแล้วจะมาเข้าอยู่ร่วมอุโบสถได้ไงจึงยืนอยู่ภายนอกไม่ยอมเข้าไปในโรงอุโบสถภุมมะเทวดาเห็นเหตุการณ์เป็นไปอย่างนี้แล้วก็สนุกไม่ออกอีกต่อไปเริ่มเป็นทุกข์ในกรรมที่ก่อขึ้นนตะต้องรีบปรากฏกายแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วเล่าความเป็นจริงให้ ให้รู้ข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านอย่ารังเกียจภิกษุผู้เป็นสหายของท่านเลยภิกษุนั้นมีศีลบริสุทธิ์ดีอยู่มาตุคามที่ท่านเห็นนั้นที่แท้คือข้าพเจ้าแปลงกายนั่นเองเพื่อทดลองไมตีของท่านทั้งสองว่าจะเหนียวแน่นมั่นคงหรือไม่จะแตกไมตีกันหรือไม่น้าก็บอกความจริงให้รู้นะภิกษุก็เลยบอกอ้าวก็แล้วท่านเป็นใครกันล่ะเนี่ยม อ, อยู่วีดีก็มาเล่าอย่างเงี้ย พิกุลก็เอาแล้วท่านเป็นใครอยู่ดีมาเล่าเนี่ยข้าพระเจ้าเป็นภู ม, มิะเทวดาตนหนึ่งซึ่งสิงสถิตยอยู่ในพื้นที่นี้เองไว้ง่ายว่าเนี่ยเป็นเทวดาเจ้าที่เก่าจบภู ม, มิเทวดาก็หมอบกราบลงแทบเท้าของพิกุลนั้นแล้วอ้อนวอนว่าข้าแต่ท่านผู้จเจริญข้าพระเจ้าได้กระทําผิดพลาดไปแล้วขอท่านจงอดโทษแก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิด ฮิลิโอต่ปะมาช้าเหลือเกินอันนี้ไนดะ้ต้องบอกว่ามาช้าเหลือเกินนี่มันพลาดไปตั้งเยอะแล้วนะเนี่ยนี่เท่ากับว่าสะสมวิบากมากแล้วนะคนที่ยิ่งรู้ตัวไวที่สุดเท่าไหร่ว่าเราทําผิดอะไรปับ๊บยิ่งรู้ไวเท่าไหร่เนี่ยเราจะยิ่งแก้คืนได้ไวหรือว่าหรือว่าบรรเทาลงไปเนี่ยจะได้ไวใครยิ่งทําผิดไปเรื่อยทําผิดไปเรื่อยยิ่งรู้ตัวช้าความผิดก็สะสมหมักหมน ยาวไกลยาวไกลก็ยิ่งหนักบาปกรรมยิ่งหนักเวลาจะไปชดใช้ก็ยิ่งหนักนะนี่ดียังขนาดนี่ไม่ไม่กี่ชั่วโมงเองนเนี่ยใช่ไหมพอนั่นเสร็จแล้วก็อา้าวตามดูว่าจะยังไงต่อเนี่ยพอมาเห็นตรงนี่เข้าถึงโอ้โหตายละนะชักชักเห็นเห็นโทษภัยของตัวเองแล้วเลยรีบสารภาพรีบบอกนะแล้วก็ขอโทษเลยนะหมอบกราบเลย ภิกษุนั้นรู้ความจริงแล้วได้ยกโทษให้ภูมิมะเทวดาจึงนิมนต์ภิกษุนั้นให้เข้าสู่โรงอุโบสถแม้ร่วมอุโบสถเดียวกันแต่ภิกษุนั้นก็ยังไม่ไปนั่งใกล้ไม่ได้สนิทสนมอย่างเดิมและไม่ยอมพูดถึงเรื่องนี้กับภิกษุผู้ถูกกล่าวหานั้นอีกเลยคือพูดง่ายว่าขนาดรู้ความเป็นจริงแนละ้วยังยังยังวางใจไม่ได้เลย นี่ให้เห็นว่าภิกษุรูปเนี่ยยึดไอ้เรื่องศีลอันเนี้ยจนกระทั่งแหมมันขนาดว่ารู้ความจริงแล้วยังยังอะไรอ่ะมันยังมันไอเชื้อของความที่คิดว่าว่าเฮ้ยเพื่อนทำเพื่อนทำเพื่อนทำนี่นะแหมมันยั ง, ม, ยงมันยังวางไม่ไม่ได้สนิทเลยไม่ไม่ไ ม, มคือยึดอันนี้ยึดถูกต้องยึดดีนะไม่ได้ยึดผิด เพราะว่ายึดเคร่งในศีลออันนี้ระวังมันจะมีอุปกิเลสซ่อนได้นะอันนี้พระเจ้าท่านจะตัดไปเลยพวกที่บางทียึดศีลเคร่งยึดอะไรพวกนี้มีอุปกิเลสซ่อนได้อันนี้ก็ต้องระวงังแต่อันนี้โดนหลอกนะไม่ตัวเองไม่ได้บัจเจตนาจะเป็นอย่างนั้นแต่ให้เห็นถึงเรื่องของการวางใจว่าขนาดรู้ความจริงแล้วเนี่ยแต่ใจที่มันเกลียดอะใจที่มันไม่ชอบแล้วมันมันผักคนเลว็วอ่ะ คุณเข้าใจไหอันนี้มันก็เป็นกิเลสนะแม้จะเป็นความยึดดีก็จริงแต่มันก็เป็นกิเลสนะที่คุณไปผักคุณไปเกลียดไอความชั่วร้ายคุณไปเกลียดชังความเร็วซามออกมากมากนี่อันนั้นเป็นกิเลสนะความเกลียดความไม่ชอบมากๆเพราะนั้นพอรู้ว่าอา้าวเขาไม่จะเป็นอย่างนั้นแล้วอะ่ะแต่ไอสิ่งที่เราไปสะสมความเกลียดใช่ไหมความไม่ชอบเอาไว ข่าวนี้แหมจะให้มันสลายปุ๊บไปเลยเอา้าวมันไม่ง่ายเหมือนที่จะสลายแล้วสิทางทางจริงๆินีน่รักชอบพอสนิทกับเพื่อนภิกษุรูปนี้มาตั้งนานนะนี่แค่ไม่กี่นาทีแค่ไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันเท่านั้นเองอะ่ะที่ไปสะสมความเกลียดที่ขึ้นมาแต่มันเป็นความเกลียดที่หนักมากเลยแรงมากเลยแรงจนกระทั่งบางทีความสนิทสนมความชอบพอกับเพื่อนตั้งเยอะตั้งแยะนี่ โดนความเกลียดอันเนี้ยพ่อท่านใช้สำโดนว่าอะไรชั่วชั่วหนเดียวเป็นไงความดีเป็นร้อยนี่บ่นเลยบางทีเพราะราวังบางทีเนี่ยเราทำผิดเราทำชั่วอะไรเนี่ยแต่มันรุนแรงมันหนักมากเนี่ยนะแค่ครั้งเดียวเนี่ยเราเคยโอ้โหสนิทกับเพื่อนนะแม้อยู่กันมาเป็นสิบปีเนี่ยบางทีไอ้ที่สะสมไว้เนี่ยโอ้โหโดนไอ้ชั่วหนักชั่วเร็วๆครั้งเดียวที่เรา ไปฝังใจไปยึดเอาไว้นี่มันทำลายมิตรภาพทิ้งได้หมดสิ้นไม่เหลือเลย